มีที่ประเทศอเมริกานี่มีบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งเขาผลิตเครื่องทำขนมปังสามารถจะทำขนมปังในบ้านได้นะราคาก็ประมาณถ้าเป็นเมืองเป็นเงินไทยก็ประมาณ1มื0 0บาทนะสรอเจ็สิบห้าดอลลาร์ ถ้ามีคนมาผลิตเครื่องแบบนี้ขายเหล่านี้เราจะซื้อไหมผมไม่ซื้อนะเพราะว่าไปซื้อกินได้ขนมปังอ่ะไม่ต้องทำเองเลยก็ปรากฏว่าตามคาดนะคือขายไม่ออกนะนี่ประเทศอเมริกานะเพราะว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่เขาคิดว่าก็ไปซื้อเอา อยากกินก็ไปซื้อเอาดีกว่านะไม่ต้องทำเองเสียเวลาเขาก็เลยไปปรึกษาผู้รู้คนหนึ่งก็เลยได้ความคิดมาว่าให้ทำเครื่องทำขนมปังรุ่นใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็แพงกว่าเดิมด้วยแพงกว่าเดิมห้าสิเอร์เซ็นก็ประมาณสี่ร้อยดอลลาร์ ิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหมื่นสองแล้วแปลกเนะไอ้ของเดิมนี่ยังขายไม่ออกเลยดันผลิตของใหม่ขึ้นมาทั้งใหญ่แล้วก็แพงกว่าเดิมบอกว่าได้ผลนะคนซื้อกันใหญ่เลยขายดีมากเลยแต่ไม่ใช่ขายดีไอ้รุ่นรุ่นใหม่นะรุ่นเก่าขายดีไอ้สอง็ดสิบห้าดอลลาร์เนี่ยคนซื้อใหญ่เลย ทำไมถึงซื้อรูอมะเพราะเขาลึก ว, ว่ามันถูกทีแรกเขาไม่ซื้อเพราะมันแพงสองรเจ็ดิบห้าดอลลาร์ใครจะซื้อกันพอมีรุ่นใหม่มามาม า, มาเทียบเคียงสี่ร้อยดอลลาร์ไอ้สองรเจ็สิบห้ามันกลายเป็นถูกเลยนะคนก็เลยบอกโอ้ยของถูกที่ซื้อดีกว่าแหม่พวกเราเคยเป็นอย่างงี้มะไปห้างเนี่ยมางทีก็ของก็ไม่ได้ จำเป็นต้องใช้หรอกแต่ก็ซื้อมาเพราะว่ามันลดราคาใช่ั้มลดราคาก็เลยซือ้อของถูกเนี่ยเราซื้อดีกว่าคนที่เป็นที่ปรึกษาบริษัทนี่เขาฉลาดนะเขารู้ว่าของเนี่ยมันไม่มีใครซื้อหรอกจองอ้เจสิบห้าแต่เขาก็รู้นิสัยว่าคนรานเนี่ยชอบของถูกเขาก็เลยมีตัวล่อสร้างตัวล่อขึ้นมา คือผลิตรุ่นที่แพงกว่าสี่ร้อยไอ27้275ห้านี่คนก็เลยซื้อเพราะเห็นว่ามันถูกเหมือนกับบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาผลิตหนังสือเป็นนิตยสารชื่อดังอีโคโนมิสนะสมัครประจำสมัครปีหนึ่งก็เอาว่าร้อยดอลลาร์แล้วกันนะจงํง่ายง่ายปีหนึ่งร้อยดอลลาร์ แต่ว่าเขาไม่ได้มีเสนอแค่นี้เขาเสนออีกอักอนหนึ่งนะสมัครสมาชิก1ปีและถ้าเป็นสมาชิกแล้วก็บวกสมาชิกออนไลน์ด้วยคือได้ทั้งหนังสือได้ทั้งสมาชิกออนไลน์ร5อยห้าสิบดอลลาร์ต่อปีให้เลือกเอานะมาสนับสนุนลูกค้านะ ถ้าเป็นสมาชิกพร้อมหนังสือและเป็นออนไลน์ด้วยสมาชิกออนไลน์ด้วยได้จ่ายร้อยห้าสิบแต่ถ้าเป็นสมาชิกหนังสือเฉยๆร้อยหนึ่งเขาทายี 101, ่<อ><อ>ทําไมนะ่ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าไอคนซื้อหนังสือเนี่ยมันก็คงไม่เป็นสมาชิกหรอกแต่ออกมาเป็นตัวล่อเนี่ยพอคนเห็นร้อยห้าสิบใช่ไหมงั้นสมาชิก ฉ, ฉันสมัครร้อยหนึ่งดีกว่า เคยมีนะพวกเราเคยเจอไปไ ป, ไปซื้อปากกามาจะไปซื้อปากการ้านนี้มันยี่สิบบาทแต่ว่ารู้ว่าอีกร้านหนึ่งเนี่ยอยู่ห่างไปสักสินาทีเนี่ยมันสิบห้าบาทเราจะซื้อร้านนี้ไหมนะส่วนใหญ่ไม่ซื้อนะส่วนใหญ่ยอมเสียเวลาไปซื้ออีกร้านหนึ่งด้วาสิบห้าบาทาติเคเนใหม่สมมติว่าเราไปห้างปรอสินค้า โทรศัพท์ราคาหนึ่งพันบาทแต่อีกห้างหนึ่งนะก็ห่างไม่ไกลสิบนาทีราคาเก้าร้ยเก้าสิบห้าบาทเราจะเดินไปซื้ออีกร้านหนึ่งไหมส่วนใหญ่ไม่ไปนะก็ซื้อร้านนี้แหละมันแพงกว่าห้าบาทแต่ว่าก็ซื้อให้ทำไมซื้อนาฬิกซื้อปากกาถ้ามันแพงกว่าหบาทเราไปซื้ออีกร้านหนึ่งที่มันถูกกว่า แต่ถ้าซื้อโทรศัพท์มือถือถ้าร้านนี้แพงกว่าห้าบาทอีกร้านหนึ่งถูกกว่าห้าบาทเราไม่ไปเราจะซื้อร้านนี้เพราะเรารู้สึกว่าห้าบาทของโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะมันเล็กน้อยแต่ถ้าซื้อปักกานี่ราคาถูกกว่าห้าบาทนี่เป็นตัวเลขที่ใหญ่นะหบาทเนี่ย หบาทเดียวกันแต่ว่าในความรู้สึกซื้อปากกามันแพงมันเยอะแต่ถ้าซื้อโทรศัพท์มือถือราคาต่ํากว่าห้าบาทมันน้อยหบาทมันเล็กเนะี่ยความรู้สึกเนี่ยของคนเรานี่มันถูกหรือแพงนี่มันขึ้นอยู่การเปรียบเทียบนะหลายครั้งเนี่ยเราไปซื้อของที่ราคามันก็หลายร้อยนะแต่เราซื้อเพราะมันมีการลดราคา เราก็เสวเออมันถูกฮะก็ซื้อเท่านั้นที่ไม่จําเป็น่คนเรานี่พอเปรียบเทียบแล้วนี่มันทําให้เราหลงนะของที่ไม่จําเป็นเราก็ซื้อเพราะเห็นว่ามันถูกหรือว่ามีการลดราคานะพวกเราไปห้างเนี่ยถ้ามีประกาศเทศกาลลดราคาม night ์เซลนะโอ้โหแย่งกันไปซื้อใหญ่เลยถามมาซื้อมาแล้วได้ใช้บอกก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าซื้อเพราะมันถูก นี่เสียเงินเพิ่มนะไอการเปรียบเทียบนี่ถ้าถ้ามันทำให้เราเสียเงินได้นะในสิ่งที่ไม่จำเป็นและบางทีไม่ให้เสียเงินอย่างเดียวนะเสียใจก็ได้ไดนะโทรศัพท์มือถือนะเครื่องละพันบาทนะแต่ว่าเราไปเ จ, เจออีกลานหนึ่งเข้าขายแปดร้อย ซื้อมาอ่าซื้อบางทีต่อนะแปดร้อยเราต่อเหลือเจ็ดร้อยนะราคาพันหนึ่งเราต่อเหลือแปดเหลือเจนะ็ดร้อยดีใจนะกลับมากลับมาที่บ้านพอปรากฏว่าข้างบ้านเขาซื้อรุ่นเดียวกันเลยเขาซื้อได้หกร้อยเป็นไงดีใจมหม เสียใจแล้วคราวนี้ให้ทําไมเราซื้อได้ถูกนะแค่เจ็ดร้อยแค่นั้นเองน่าจะดีใจแต่ทําไมเราเสียใจเพราะเราไปเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งเขาซื้อได้หกร้อยมีเพื่อนะคนนึ่งนะ่ะไปประเทศจีนนะไปไปปักกิ่งนะ่ะปักกิ่งนี่มันก็มีตลาดเรียกตลาดรัสเซียมีของทุกยี่ห้อนะ แต่ของปลอมทั้งนั้นเป็นปลอมแบบแท้ๆเลยนะกางเกยงยีน500เขาก็ต่อมาจนกระทั่งเหลือได้200นะยี่ห้อดีดยนะราคาครับราคาข้างหน้าบอก500ต่อไม่ได้200พอมาขึ้นรถบอกว่าเพื่อนเริ่มทัวร์ ซื้อได้ร้อยห้าสิบเขาบอกว่าคืนนั้นนอนไม่หลับเลยทั้งคืนเพราะอะไรแค้นใจโอ้ยเขาซื้อได้ถูกกว่าเราเราซื้อแพงกว่าเขาที่จริงน่าจะดีใจนะว่าโอ้ยห้าร้อยเราต่อได้สองร้อยถ้ามาเมืองไทยก็ซื้อไม่ได้หรอกแต่ทำไมเสียใจพ่อไปเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาได้ ซื้อได้ถูกกว่าเราไอ้คนเรานี่ทุกข์เพราะความเปรียบเทียบเยอนนะบางคนหน้าตา飒 ส, าสวยแต่ก็มีความทุกข์เพราะว่าไปเปรียบเทียบว่าเขาเพื่อนเขาสวยกว่าเรานะเพื่อนเขาผุดผายกว่าเรานะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีความสุขนะเปรียบเทียบไม่เป็นนี่ทุกข์นะ ทั้งทั้งที่บางเรื่องก็น่าจะมีความสุขได้เอาสมมุตินะว่าเกิดเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก่อนพวกเราจะกลับนะก่อนจะกลับวัดไอ้ก่อนจะกลับบ้านนี่มีแจกโทรศัพท์มือถือคนละเครื่องดีใจไหมแจกโทรศัพท์มือถือคนละเครื่องแต่ปรากฏว่าเพื่อเราบางคนประมาณสิบคนเนี่ยไม่ใช่แค่ได้โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวเขาได้ ไฟฉายด้วยไฟฉายขนาดเล็กนะเราดีใจไหมถ้าเราไม่ใช่คนนั้นเราได้โทรศัพท์มือถือแต่เพื่อนเนี่ยได้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็ไฟฉายด้วยไม่ดีใจใช่ไหมทําไมอะ่ะเราไน่ดีใจเพราะเราได้โทรศัพท์มือถือมาแหมเราได้ของฟรีมาทําไมเราไม่ดีใจเพราะเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาได้มากกว่าเราเนะี่ย ก็ไม่ต่างจากเนี่ยชาวบ้านนะเวลาหน้าหนาวเนี่ยเอาผ้าผมมาแจกชาวบ้านบ้านละผืนบ้านละผืนแต่ว่าถ้าเกิดชาวบ้านนี่รู้ว่ามีบางบ้านได้สองผืนนะโอ้ยโกรธคนแจกนะน่าจะดีใจเออฉันไม่ได้และฉันได้มาผืนหนึ่งนะพวกเราก็เหมือนกันนะอย่าไปว่าชาวบ้านนะเป็นเหมือนกัน ไม่ต้องจับโทรศัพท์มือถือก็ได้เอาแจากหนังสือคนละเล่มคนละเล่มก่อนขึ้นรถจากคนละเล่มคนละเล่มแต่บางคนนี่ได้สองเล่มไอ้ที่ดีใจว่าได้แจกหนังสือเล่มหนึ่งนี่เสียใจนะเพราะว่าเพื่อนเขาได้มากกว่าเราบางทีไปโกรธคนแจกไปโกรธหลวงพ่อว่าทำไมแจกให้หนูเล่มเดียวนะน่าจะดีใจว่าเราไม่ได้แล้วเราได้ขึ้นมานะ ได้บางอย่างก็เป็นทุกข์นะถ้ามองไม่เป็นเนะพราะอะไรเพราะเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบว่าเขาได้มากกว่าเราทั้งที่เราก็มีของแจกเหมือนกันนะเปรียบเทียบว่าเขาซื้อของได้ถูกกว่าเรานะทุกเหมือนกันนะไปซื้อหวย นะแทงถูกนะได้มาห0ร้อยดีใจพอร่วบเพื่อนแทงเหมือนกันเขาได้แต่เขาแทงมากกว่าเขาได้สองพันเราเสียใจเลย น, ะนี่นี่ก็เป็นเรื่องของชาวบ้านซึ่งเราก็เป็นเหมือนกันนะฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องระวังในการเปรียบเทียบะนะเปรียบเทียบนี่ถ้าเปรียบไม่ถ้าไม่ฉลาดไม่มีสตินะ เสียเงินเพิ่มเสียเงินโดยไม่จำเป็นเลยของไม่จำเป็นแต่เห็นมันถูกเพราะว่าคนขายนี่เขาฉลาดเอามาเอาเอ า, เอาตัวล่อมามาเปรียบเทียบว่าไอ้ของนี่มันแพงไอ้ของนี้มันถูกนะเราเรียบซื้อหมับเลยนะหรือว่าของลดราคาก็ซื้อมีคนหนึ่งตั้งใจว่าจะไปซื้อไฟฉายไปห้างนะบอกว่า กลับออกมานี่นะมีซื้อของหลายอย่างเลยซื้อทั้งรองเท้าซื้อทั้งซีดีแล้วก็ซื้อปากกาแต่ว่ารองเท้าไม่ได้ซื้อไอไฟฉายไม่ได้ซื้อตั้งใจว่าจะไปห้างเพื่อซื้อไฟฉายแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยก็มีลดราคา ของทุกชิ้นราคา20บาทนะก็ซื้อเลยนะแต่ว่าลืมซื้อสิ่งที่ตึงต้องการก็คือไฟฉายไอ้สิ่งที่ไม่ต้องการนี่ซื้อหมดเพราะว่ามันลดราคาเนี่ยลืมตัวนะไปเวลาไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยต้องฉลาดนะอย่าไปไปหลงกลเขาคนขายนี่เขาจะฉลาดเ็าจะมีตัวล่อนะ ไอ้เครื่องทองําขนมปังที่ราคา400รอดอลลาร์เนี่ยเขาเขาผลิตมาเพื่อเป็นตัวล่อเขาไม่หวังว่าเขาไม่ห ว, วังแร้วว่าจะขายได้แต่เขาจะล่อให้เราซื้ออีกตัวหนึ่งที่มันถูกกว่านะนี่เราต้องมีต้องมีสตินะไม่ใช่เห็นของไหนลดราคา <c oughs> หรือรู้สึกว่ามันถูกกว่าเพราะมออีอีกเครื่องมันแพงกว่าตาวาวเลยนะ ต้องมีสตนะิแล้วก็ต้องมีความสันโดษด้วยสันโดษแปลว่าอะไรแปลว่าพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้เราได้รับแจกหนังสือหนึ่งเล่มก็ควรจะพอใจสิ่งที่มีควรจะยินดีสิ่งที่ได้ขายเขาได้สองเล่มก็ช่างเขาอนุโมทนาด้วยเราไม่อิจฉาเขานะเราได้โทรศัพท์มือถือคนละเครื่องฟรีๆอ้าวเราพอใจ เพราะว่าเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้ได้ละได้มีล้วแต่ถ้าคนนึ่นเขาได้โทรศัพท์ด้วยเขาได้ไฟฉายด้วยเออก็ดีใจแทนเขาเขาเรียกว่ามุทิตาจิตนะอย่าไปอิจฉาเขาแล้วก็อย่าไปเศร้าเพราะว่าเอาแต่คิดว่าเราได้น้อยกว่าเขาต้องคิดว่าเออเมื่อกี้เรายังไม่มีเลยตอนนี้เรามีแล้วนะ โทรศัพท์มือถือหรือว่าโทษหนังสือหนึ่งเล่มให้พอใจสิ่งที่มีนะอันไหนที่ยังไม่มียังไม่ได้ก็อย่าไปกังวลอย่าไปทุกข์กับมันสนใจสิ่งที่มีอย่าไปสนใจสิ่งที่ยังไม่มีคนที่สนใจสิ่งที่ยังไม่มีหรือสนใจว่าใครเขามีอะไรกันแต่เรายังไม่มีเนี่ยอันเนี้ยเตรียมใจทุกข์ได้เลยคนที่ทุกข์เพราะเห็นนี่มาเยอะแล้ว นก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ไม่แทนที่จะชื่นชมสิ่งที่มีไปสนใจว่าเราฉันยังไม่มีอะไรบ้างเขามีแต่ฉันยังไม่มีอย่าไปเอาความสุขฝาไว้กับสิ่งที่ยังไม่มีให้เอาความสุขฝาไว้กับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนี่เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันให้เป็นชื่นชมปัจจุบันก็เกี่ยวเาไปคิดนะ ลองอไปทดลองดูเวลาไปเข้าห้างเนี่ยเรารู้สึกแบบนี้ไหมนะของถูกของลดราคานี่วิ่งเข้าหาเลยจะใช้หรือเปล่าไม่รู้แต่ซื้อไว้ก่อ น, นหรือว่าพอใครเขามีมากกว่าเราเราอิจฉาเขาไอ้วงดนตรีที่มันแยกวงพ่ออะไรเพราะว่ารู้สึกอิจฉาว่าเพื่อนเขาได้รับคําชม มีแฟนมากกว่าเราในเฟซบุ o กนี่เรามีแฟนเรามีแฟนประจาแฟนประจำเพจ น, นี่กดไลค์หนึ่งล้านคนดารานะแต่ว่าบรินตรตีเพื่อนร่วมวงเขาของเราเนี่ยมีแฟนเพจอยู่หนึ่งล้านห้าแสนคนเราทุกเลยนะอิจฉามันมีแฟนมากกว่าเราห้ 500, 000, าหมืนคนทั้งที่เราน่าจะเอ้ยไม่ใช่เนี่ เรามีแฟนเป็นล้านวะเขามีแฟนล้านห้าแสนเนี่ยมีความทุกข์เลยเพราะเขามีมากกว่าเราแต่ทั้งที่เราก็มีเป็นล้านนะ